เพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของพวกเราเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายยะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกอันนี้ สามีจิปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดใ้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็ น, น, นอันขาดฉะนั้นการโกรธมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยพอมาก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 และมันดีมากแลก้วกระขออาใัยของกปรดท่นทั้งหลายที่ประสบมายู่ใน น, นี้ไอการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูดูไปเพราะว่าไม่ใครจะดูเรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่หยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมนเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติ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 จะแต่เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ข อ, อนิมนุคนที่ตั้งใจดีมาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี่อันไรอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายาม แนะนำคำสอนเช่นที่ท่านทำมาแล้วนะ่ะการทสงบกานทำใม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้ก็เรีว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่วหวังดีซึ่งพวท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความบังดี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 คนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุตุชนมันก็เป็นปุตุชนเหมือนกันถึงนั้นเหมือนกันถึงนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลำบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิด้นณีเพราะว่าทำไมเราฝืนมันมเราฝืนมัน พระข้อประพฤทธปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้ามตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันอืทานอาหารมากอย่านี่เป็นต้นมาที่ทานวัาานนึงมันน้อยทานมันเดียวนี่ก็ฝืนฟองไง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 การประพฤติปฏิบัติก็คือการฝา่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุตุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอนนานาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุตุชนนั้นใ ห, เนใหใน้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้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 ไม่ยอมรับความจริงแล้วนะไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่พยายามทำท า, ทาตามใจชอบของเรานั่นแหละมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเขียนคู่กันไปถึงแม่ว่าจะบวชมาถึงยี่สิบพรรษาสามสิบพรรษาก็ตามทนะีมันก็ไม่รู้รด ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนเหวไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั้นไม่มี นี่มันก็เหมือนกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนประกันทางไหยเนี่ยผมจะได้มัผมะได้ผลผมจะได้ความเลิศ ค, ความดีอะไรก็เปล่าครับเปล่านานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิด จะถือว่าแม่ท่านตำจานท่านบวชตั้งยี่สิบพรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่ยี่สิบพรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องไม่มันไม่มีนะั้นมันต็ไม่เิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเส้นเป็นนวกะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกทายถูกต้อง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 บรรลุธรรมะบรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ตนและก็มันไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นทั้งนั้นเนยของทั้งหลายเหล่านี้เดียวมันไม่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเจนนี้ก็เรียวว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละ เมื่อเริกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติในการกระทําคําสอนของปปุตติยะการบารรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่มันเป็นอะไรอย่างอื่นนะอืมเช่นเราเดินไปท่าน้ำเราบารรลุท่าน้ำหรือท่าเรือเรเนี้ก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเอง น, ะนั่นตัวเดียกว่าบบรรลุท่าเรือ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 อยูความจริงอืมเป็นทางดําเนินหรือเป็น เ, เ, เครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงนะน่ะไอธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นน่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปนะั้นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นน่ะนี่ที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงนั้นนั้นมันเป็นตัวธรรมะอยูความจริงที่มันถูกต้อง มิจฉานี่ยคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือไปพบธรรมะกันหนึ่งก็เป็นธรรมะนี่คนทํางไม่เป็นธรรมะมตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแหละไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายทําไมต้งเป็นอย่างนั้น ท่านระกิเดชต่เป็นชั้นๆเป็นวางท่านวางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้อก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปอ ม, มันก็หายไปเองมันคือมันกําจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกําจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องเน่ยมันเป็นเอง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 มันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้รในการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบร ม, มาศ า, าสดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็ปเป็นบางอย่างบางประการ ร่วมที่แท้จริงเนี่ยมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆงถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเข้าใจรึกซึ่งจากความเป็นจริงนั้นมันดื้อไม่ได้มันเรือนไม่ได้อจะนั่งจะยืนจะเดินมันเรือนไม่ได้ในรีบททั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอน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 จะยือนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นของมันอยู่เนี่ยเบี้ยบายความรู้อันนั้นมันสม่าเสมอจิตในอริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละ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 อาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมศึตกตกลบของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นเหรอทาไมมันละได้ไหมมันไม่เอาอ่ะอืมถ้าไปวัดจะเรื่องของไก่ แม่ไก่มันชอบกันได้เกินถ้ารมันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะทำไมมนุษย์มันละไปได้อย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็ฉะนั้นเรื่องที่ท่านไหระนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละ วนในพวกพวกเราให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอันนั้นที่เมาเห็นชัดแตกาทิ้งขงท่านไอ้ที่โวกเราทางหลายยังจงอยู่ในโคนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ทางทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้อืมฉะนั้นจิงเป็นเรื่องของกิจการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิดจรณาให้มันแยกทายที่สุดอืม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 มันไม่เหมือนการเฉินนั้นฉะนนั้นอันใดก็ตามอันใดก็ตามที่พบท่านทางหลายมาโหรมวันนี้ในคราวนี้นะ่ะหรือในคราวที่ต่อไปก็ดีแต่ถ้าหากามาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์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 นิสัยอุปนิสัยต่อต่อไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะพวกท่านทั้งหลายนี้ท่านต่อเดียก ว, ว่าเป็นธรรมอาจารย์ธรรมมาจารย์คือที่ให้ธรรมะ ให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะมเรียกว่าเป็นธรรมอาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมอาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็ดีกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สำหับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมอาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการนีน้มันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลา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 ของอุปชารูจักจิตของอาจารย์ธรรมอาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาสิกซึ่งเป็นรูกศิกษย์อันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤตปฏิบัตินี้ลูกศิกษย์มันวิ่งก่อนก็ได้ลูกศิกษย์มันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัย อุ ป, ปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาัตรตามที่เราได้ปรึกษากันเนี้ยเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาตในคราวนี้นั่นเนะ่ะธุระหลาย เห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่สิบแปดนั่นแหละ<ม>ตามกำหนดการมผมจะอารตมารับรับไปพักวันต้องกว่าพงนี้ก็จะอารตมารับไปทาแส่งเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไวฉะนั้นต่อนี้ไปวีรามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดี ต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยและมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพเราท่านด่านนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและก็ผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันที่สุดท้ายในสถานที่นี้ ต่อนี่ไปขอขอให้โอกาสพบทันทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อยธนูหน้าเป็นไงธนูหน้าเป็นยังไงทุกท่าน่ะให้โอกาสแล้วเงินมน ความุกข์ททาบั่เกิดการิ้นรอยู่านเบญจขันธ์ห้านีเราจะร้านหอ้านะรจะทยังไงอะก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่เหียงมันก็ป่าเราเบญจขันธ์ทั้งห้าคืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสเบญจขันธ์ทั้งห้า ก็คือขันห้าที่มันมีอยู่นี่แหละลกูกเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่ว่าระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเตียงเ็ น, เ น, เ น, เนจะขันท่านนั้นเบนจขันนี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ท่านนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไประมันได้เช่นว่า วันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องมันเรื่องเบียนเจขันมันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอานาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเบียนเจขันเป็นของของเราเนี่ยเราพอยายาจุด ย, ยารักษามันไปพอสนพวดรักษาเลยโดยกระทั่งเทียว่าอันนี้มันยาการตายไม่มีเราต้องรู้อย่างนี้เรียวกว่าการละที่มาเรา เป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วว่าอืมตายก็เอาเป็นก็เอานี่กลางๆไว้เมื่อมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นจ้กขันมันเป็นเรื่องของเป็นจ้าขันตึ้งตามันร้อนมันก็ร้อนตึ้งขามันเย็นมันก็ยเย็น ทิ้งขามันเจ็บมันก็เจ็บทิ้งขามันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกเกิดขึ้นมากตสักแต่ว่าทุกเวทนาสุขเกิดขึ้นมาแต่รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียอการปล่อยวางการปล่อยวา ง, าวางไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้ว ม, มีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนไม่ได้เรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตาของเบญจขันธ์มันเป็นของมันอยู่อย่างนะั yaz, ้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่ากับความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางคําที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเป็นนั้นแต่เราก็ปล่อย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 ว่าเป็นธรรมชาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร่อง่อยอมือทุกสิ่งทุกประการในมันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้พอวางจิตมันก็วางมันละเหยแต่เองของมันเพีนนั้นอีน่ด้วยการกำหนดที่เจริญางเช่นว่าเรากลัวอย่างเนี้ย ใจผมทํำยังไงมันถึงจะหายหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหมันกลัวตรงไหนก็ไปดูตรงไหนมันกลัวอย่างเี่ว่าป่าช้าเรากลัวมันนะอยู่ประช้าเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเรไปนั่นอยู่ตรงนั้นยให้มันกลัวรลงที่กระทั่งคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปหมดกัวแล้วมันก็ตายไปเหมือนกันมันหายอะไรอย่างนี้ อถ้ามันเป็นชนะออมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเนี้ยแหมมันปวดเรื่อเตือนนะจริงเอาชนะไม่ได้ยังไงคือไม่ชนะมันก็หยุดสะกดชิดมันอีกวาระหนึ่งน่ะมันจะปวดจะเจ็บได้เรื่อยๆยังไงแจะเอาชนะกันอารูที่ตายแต่วันอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากสักวันนี้ตายกัน ตายกันเพราะมันปวดขานี่นะนั่งนีนะจะให้มันตายแต่วันนี้มันจะบวดมาจะได้กระช่างมาแล้ววันเราตายแล้ววันเนี้ยนะไม่ต้องพลิกมันเอกปวดต้ตายมันมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นเนี่ยตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซื้อหมดมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปมันตายเออมันเป็นอย่างงี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราจะมีกําลังเป็นมาแล้ว ในทางธรรมะท่า น, นก็ไอ้ข้ามเมตนาค้าบเมตนาแล้วต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นกระจั์ขึ้นมามการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งกีรู้เท่ามันอ่บพูดอย่างไรรู้ว่าอันนี้มันสป็งแก้ไขไปพสอสมควรพี่เรียกว่าการเจ็บมีไหมมี <laughs> ชิ้นวางวางแล้วถันห้าวางาการเจ็บไม่มีเจ็ บ, บมีอยู่แต่ว่าสักแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นยังเก่าอยู่นะอืแม้จะชันหวานแม้มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นะเนี่ยเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นะไม่ใช่ว่ามันพิ้งไปหมดแต่ว่าเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวนี่หวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเป็ี่ยนของมันอย่างนั้น ความรู Lord, Finanz, ้เท่าเช่นน right ี nights, ้พระพุทธเจ้าสานนิรูปเจว่ารู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสมยสุขเสมยทุกสัญญาตัวคือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งบิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นเห็นมันแน่นอนไหมในในรูปในเบธานาในสัญญาในสังขารในบีญญาณนี่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 แต่มันก็สัมคัญมนุษย์นะกรดที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบกรดกันเนาะเมื่อความกรดขึ้นมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายแต่มันชอบอยากจจโกรู้ไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นนะชอบเป็นมันชอบเป็น อันนี้เรียกว่ามันในเทียงมันก็ไปกวนในนั้นแหละจะเอาเที่ยงอยู่ได้เอาให้มันดีขึ้นไดอ้อันนี้มันก่อนสำคัญว่า น, นี่ต้องเกิดมันเกิดขึ้นมาอันนี้ต้องระงับไปด้ยการพิจรารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคดีมโนนกับพระ อ, อนุน์พระคดีมโนนป่วยนะ โอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดตรงนั้นเลยพระพุทธ อ, องค์นิมนต์พระอานุ์ไปเทศนิฟังเทศเป็นเบญจขาณิสเนี่ยไปถามว่าวไอ้คินิมานนท์เป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายมีที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลย พระอนันต์กรรเทศฐ์สัญญาศีกิณสงสัญญาในขันห้าเนี่ยเรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยนี่ทีนี้มาโดนก่ฟังไปด้วยต่จิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าวภาวนาก็เห็นเขาไปจิตสงบเข้าไปดิ้ดิ้ยปัญญาก็เผยเออเห็นว่าสิ่งทั้งหลายอะไรนี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่แม่นอนไม่ใส่ตัวใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างเนี้ย มันก็ได้แยกกันออกคนใดอย่างไอความยึดมัน่นถือมันมันได้แยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระครีมโนนเกิดความสบายเพราะความทำสัญญาสิบจากพระอานอนท์ฟังแล้วโลกก็หา ย, ยานี้แค่ว่าเมื่อพระ่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะ แต่ว่ามันไม่หายแต่ว่าแต่ว่าว่ามันไม่หายคือคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอ่ะวัดไทยก็ยิงล้อห้องยิงกลางไปด้วยอีมันไม่หายนี่ก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่เอกรองปีจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศให้เข้าใจธรรมะแล้วคิดมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้น แต่ว่าทำมาที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราไปยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายนะมันไม่หายหรอกถ้ามันพอใจเสียจริงๆเรามันหายเข้งมันเนี่ยมันสักเปรว่าสุขสักเปรว่าทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องสีสําคัญของพวกเราเหมือนกันนะอถ้าถึงว่ามีเอะพิจารณาทุกสิ่งก็เป็นแค่ ก็ำรู้ดีจเป็นการทำแย่งกันมากมัน็มันก็เป็นราบว่าแบบจะมีทางแบบป้องกันให้แบบที่ชัดเจนๆาทำให้มันเกิดมันเออถ้ามีช้าที่ตีข้าไปแล้วมันก็ทุกเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกเกิดขึ้นมานั่นแหละใี่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 มันก็ผิดอยู่มีจฉาทันที่ไงศึกษานี่ท่านจึงให้ศึกษานีบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสมาธิิของเขาใช่ไหมมันเป็นเหตนั้นทะนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิได้สมาธิิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายการคันถ้ามันเป็นเหตุนั้นเดี๋ยมันทุกข์เช่นว่า อ่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิกับสักว่าแต่ทําไปนะเอ้ามันสักว่ัติธรรมไม่ได้น้อตรงนี้เนะมันสักว่าแต่ทําไม่ได้ไปโป้นตก็ดีมันสักวัติธรรมเนี่ยถึงเขาจับมาได้อะไปติดตะลังหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตะลังเฉยอันนี้มันเป็นคําสมมุติที่มันไม่มีนะอืที่มันไม่มีไอความไอความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิที่แล้ว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 มันตะคุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาปอันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อยูนแล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลยอันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก่อม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์ก็ผักไปตรงนูน้มันผักไปตรงนู้นไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงอืจนกว่าทีทวันเป็นอภิภาษัตแล้วอันนั้นเป็นอภิภาษัต ม, มันเป็นส่วนหนึ่งอ น, นี้น แต่ว่ามันก็พี่เรียกว่ามันทําอย่างนี้เดีว่ามันป้นคนกับสักเตว่าป้นคนฆ่าคนกับสักเตว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยเฉยมันก็คงเป็นไปไม่ได้จับไปจิตตารางมันก็สบายใจเมาสักเตว่าจิตตารางมาคงคิดไปได้นะอันนั้นเนี่ยอันนี้เมื่อมนุษย์กรรมก็ตุ้นอยู่ในไว้หนุ่มชอบอันนี้มันอยู่แค่นี้ถ้าหากว่าเรา ไอความทุกข์กับความสุขเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการพอเห็นผิดเห็นถูกก็นเองถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ใส่ถุงไปกระดีก็อยู่นะเมื่อเดินล ง, งบ้านไปจากบ้านไปไอ้เป๋าสตางค์มันดูดออกไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะนึกว่าเป๋าสตางค์เรายังอยู่นะ ไอความเสียใจมันก็ไม่มีมั น, นสบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปล่ละเหตุมันนะ่ะเหตที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตั๋วรถไฟนั่นอนะเราจะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าสตางในกระเป๋าดันไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้ว น, น, นี่รู้จัก มันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลว่าเธอรู้จักขึ้นมาจะเป็นทุกข์มันเป็นในสำนานอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าสตางมันตกหายไปนั่นแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้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 มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันนี้ไม่มีความสม่ำเสมอนั้นแหละเรียกว่าอันนั้นมันผิดที่มันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นั่นมันเป็นเหตุขึ้นทุกข์ง่ายๆกิจารณาง่ายๆไอ้ธรรมราที่มันถูกต้องนั่นน่ะมันจะไม่หาเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้แต่มันรู้เท่าอยู่ความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่าง ไม่มีอะไรทีมันจะเกิดขึ้อนอีกถ้าอยงไงถึงจะพราห ไ, ได้ารือว่าบางทียังรู้สกว่ามันยังไม่พิจารเนาวิอะ้อนนี้่วามยัรู้่ามันนท้กใช่อันนี้ <laughs> อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่ามันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องส่งรุ่นกันถ้าถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามพยายามจนกว่ามันจะเห็นเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือแล้วเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่นาาแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่งนั้นแหละออ่า มีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามนะ่ะเรียกมาพยายามเรียกว่าความเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นมันก็มีเรื่องเท่างเงี้ยที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เรียวนี่มันเห็นเรียวนี่มันร้อนเกินไปมันก็ลำบากนะอเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจ้าสม่ําเสมอในการปล่อยวาง ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสบบงบเดียวนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันยิ่งวายบางครั้งเราทําใจปล่อยให้สมบายเสมอพอเอาเท้าขวาทับต่อไปมือซ้ายทับมือขวต่อไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมรุนกันมันก็สงบพอบบอันนี้ต้องประรอกอบความเพียรต้องพยายามคมเพียรด้วยคมเพียรก็หมดแล้ว <laughs> มันไม่หมดตรมันไปมันไปจนดิธีความพี้เหร่เลยนี่มันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขละแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดสร้างอันนี้เอาไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ได้ไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองนนะครับจะถอดออไปเอ้มันนั่งมันตัวเราถึงใครก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับเรืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาจนเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสยัยเลยค่ะ แต่เมื่อจิตมันเป็นมันมันมันแน่นอนนะมันไม่มีไม่ไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีดีอรณ์จนอยู่ใส่จนกว่าเรามหัศจรรย์เรื่องของเราเองนะครับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงจริงเรื่อตาคึ้นเดียมันหายไปตับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้อันนี้เราก็ไม่ถีจะพูดมีเรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะถ้าพูดไปเขาก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงจริง เขาพูดให้ดูเรื่องเนี่ยฉะนั้นนั่นเรื่องสมาธิเรื่องไม่ดูจักเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้นั่งขึ้นมาเกิดมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยว่าเนี้พรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งปุ๊บก็ไปเงี้ยมันเกิดขึ้นมาตัวท่านองคนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ฐานนั่นจริงๆ มาแล้วมาทําหอกมาทำอาวุธมาตาวาดอะไรรุนแรงหุ่นวายเนะียอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีครับอืี่พุ่งนี้ปรือ น, นี้ส ว, วันมาแล้วเราก็ดูเอออิตาเนีคนมาเดี๋ยวนะระวังไง้มันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่อืมันเป็นสีย่างนี้อัน น, น, น, นี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปข่าวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไป อันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลย่ะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีเกิดมาแล้วปัจพุบันเจ้าท่านจึงตัดปะอย่าไปมั่นมั่นเลยท่านมันเป็นอณิจังมันไม่เที่ยงหรอกอวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาหว้เราอะไรหลายๆอย่างแต่เนยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าดีกว่ามิฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทําน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไร มันได้ดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาด น, นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมทีนี่เรื่องจิตใจคงคงเปนสมาธิกับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอวิปัสสนาเดินตรงโงจะลืมตาก็ได้จะรับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นนะ่ะ ม, มันมีอยู่ซื้อมันเข้าใจอะไะอย่างเงี้ยที่ไอสมาธินี่สขาติดเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โห ไม่อยากกินข้าวถึงนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบ่บ่ก็มีเป็นบ้าอะไรยิ่งดีตอนนั้นไ <c oughs> อ้พวกนี้ไ อ, อ้คนเราเขาก็ชอบนั่งมาได้จะไปโน้นไปไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักไนงะมาพูดในมนุษย์ฟังนะไอ้คนเก็เชื่อเชื่อโดยทางที่ไปรู้จักกันแหละเอออะไรที่รู้แล้เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกพูดที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าจึนว่าให้มันเชื่อในการรู้ ไอคนอนถารู้อะมันมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแปลอย่างน่ะไอถ้าพูดในเรื่องผมมาโรคในเรื่องเทวราอารักษทางไหลายโอ้ยมันเชื่อแล้วเกิดมาโดนนี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะนี่มันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นองนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาโุระกิปัตนาโุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างที่นศึกษากันพ่อเนี่ย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 ได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับอืมจะให้ท่านองนี้กับองเนี้ยไปเรียนมาใหนศึกษาธรรมะกันตั้ทีเดอนเนี่ยเอาลองกันเถอะไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบออันนี้มันจบไม่ได้มันกรมกลมมันกลมมันกรมเันกลมวงขนาดนี้ัก็จบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาทีลองดูสิมันเป็นวัตตัมันพูดไปตามวัตจั จิตเราก็เป็นบรตดา อ, อยู่แล้วนะก็พูดกันตามบรตดะพูดไปตามบรรตาได้เรื่อยอย่างพงเพล่เท่าไอ้ฟังไห้ไอ้หลานตากั่หลานเนีย่ยไอ้ตาจะไปไหนก็พ่อจะไปเผาศพคนี่ะศพคนตายตายตาคนตายแล้วมันไปเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะ่ะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไร มันเป็นสางตาตาสาง ม, มันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ไหน ไ, ไปมันเป็นโคตรพ่อโคตรแหม่หมดเลย <c oughs> คือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเ ร, เรื่องเรื่องมันไม่จบโอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าทีผมจะไล่ท่านเสียท่านจะหมดที่ไปไม่วิ่งไปจนที่เท่านั้นแหละ เออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเงี้ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนกว่มามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรล้วกว็แบบโลกเราจะต้องมีเหตุผลนั่นนะเหตุผลในส่วนศีลธรรมนเนี้ยถ้าเหตุผลอย่างรึกรับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุ ที่มันโมเหตุเหนือผลคือภายในภารไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกนอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเสียงกันแล้วพวกเราเราเดนนะไม่มีอะไรจะเสียงแล้วเนี่ย่เรามันเดียนไปครอคือจะเถียงกันไหนเสียงอะไรมันถูกของใครของใครเท่านั้นเนี่ยมันในจบแล้วมันเรื่องมันในจบมันวงมันกลมมันก็ไรกันไปเนี่ยกะไอ้แค่หลานเท่นั้น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 นั่นอ่ะเหตุมันเนี่ยกรรมเหตุมันทุกคนที่แก้ไว้นี้มันแตกนี่มันจะเป็นอย่างนี้แก้ไว้นี้มันทําไมมันถึงแตกมันก็ทุกแก้ไว้นี้คืออะไรอราจะถามครัเขาแก้ไว้นี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้ไว้นี้คืออะไรถามมันไปแก้ไว้นี้มันก็ไม่ไม่ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุดไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกวันนะ้นที่เมาแล้วมันแตกมันแตกทําไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจบากของเรา ไอ้ของเราทำไมเดยอดขึ้นให้มันแตกแล้วนี่ <alleine> เนี่ยเราเราเราวนไปวนมาครับพวกไปวนมาพวกไปวนมาแล้วโอ้ลูที่รููที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกแก้วเราก็ากไปยึดมันไปนะอ่ะอันนี้มันไม่รู้จักว่าใครมันใครใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จักไปะนะมันเป็นธาตุอนี้เป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นเป็นแก้วโดยสมมติแต่ แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับ ừ? เห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับถึ่งมันจะแตกไปนีนแก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทําไมมันทุกขนะ์ล่ะเนี่ยใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกๆตัว ท, ท, ทุกตนะ้นน่ะถ้าหาก่าเราไออ่าเราทุกคนจะไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ตม้นสมุดหมกักต้นแล้วยที่นี้อยู่ในสวนเลยนะ แล้วอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในในในวัดตรงนี้ของมัด น, นั้นนี่มทําไมจะเป็นงั้นอ่ะเรามีสวนมีสักร้อยไร่ปลูกลําไยกป็นทีให้คนอมีตมาฟันที่ไปตัดที่โป๊ก๊กเอาตังง้งอย่างนี้คือังก์ตใครมาตั ด, ด, ดต้นมันถูกเราแล้วนะมั้ยไปรู้ก็ไปตัดต้นลาไยล่ะเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแล้วนั่นเองครับนะี่คือตัวประธานนี่เป็นตัวเป็นตัวหนอนไปอยู่นะ้ มันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดไปตรงนั้นถ้ากว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันเพราะมาไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นําใหญ่ที่เราเรียกว่าของเรามันก็ทุกนี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นแหละนี่พบหนึ่ง่วนไม้ต้นอะไาเราเข้าใจของเราจริงๆนี่น เ, นเด็กๆรู้มันยครัมนีกของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราน่โดยฐานสี่สมมุก อืถ้ามันจะเอาจริงจรงจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์วันกะกำมะตัวนึงนะนี่ม้าตัวนี้มันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้เพ่าเพื่งต่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดียวเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตโซ่กับม้าอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันเราแน่นมือเราขาดปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนึงเราก็ตึงมันไว้ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้ อะไรทุกอย่างมันกันเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันกันสามารถจนดีดีๆเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงแล้วก็ให้ยามันตักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวแล้ก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอาเมืองไปฮะมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วเนี่ยมันหมดที่ของมันแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นดิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่ง รักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆ น, นะในแปดปีปีก็ขอเก้าสิปีเก้าสิปีก็ขอร้อยปีรอยปีก็ขอร้อยห้าสิปีร้อยห้าสิปีก็ขอสองร้อยปีว่ะไอความคิดเรายัางงมันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดดูนะแต่ว่าความคิดมันนี่ทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันแล้วก็ให้ไปเราอย่าให้มันเป็นทุกข์เรู้จักขอบเขตนี่เดียวผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันตนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานที่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช้มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่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 เราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดียวนี้ใช้แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำเพื่อไปทางานทีวิตเป็นอยู่เพแตะนั้นเนะี่ยก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าหากว่านี้ใช้กแก้วใบนี้แล้วพอก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเลยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างอธิเรื่องเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีน่ะเป็นโทษก็มีน่ะอย่างเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะ มีรูปเกิดขึ้นมานั่นนี่เราเรียนธรรมะแม่แม่เราไปบวชกับหลวงพ่อไปศึกษารธรรมะไม่ใช่ของเราเนาะ <c oughs> นะออกไปเป็นคารวาสหรือเช่างมันทะูปมันไม่ใช่ของเราแล้วางทีนี้ก็วางมันไปเถอะฉ <c oughs> ิบหายนะนี่อนอะอันนี้อันนี้มันจิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้นะ่ะมันซับซ้อนกันนะอืออันนี้พ่อได้ไปเรียนมาช่างหลวงพ่อ มัดประพงอ่ะไปอยู่ฝ่าเขานั่นไอ้ตันต์นี่ยเด็ดขาด้วยนะอยากไปทําเช่นนั้นมันมีถ้วยจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันร้อนการเดนนีไอ้ที่เดียว่าไม่ไม่ไม่ใช่ของเราเราเกี่ไหนเราวัดเาวังอ่ะละเ อ, เอาเอาไปเอาใส่ทานแล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดียวมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในทํานองนี้นี่เรียกคือผู้พูดปฏิบัติทำฉะนั้นผมจึงเด็ดขาดมาอัละไม่ตรงเรียนเนี่ย นะพอเท่านี้ก็พอไอ้จุดมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันพุ่ทุกข์ตรงนี้มันก็พอแล้วน่ะเนี่ยแล้วผมจึงเดียพูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันแต่ว่าเรียนผลทุกข์ไม่ได้เรียนเอาอนนั้นน่ะได้อนั้นมาเราก็เก็บคนทุกข์อย่างเนี้ยอนนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์ได้นั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้น เอานั้นต์ไปอกสมมตไดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีมันมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกเนี่ยได้นั่นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มเป็นไม่รู้จักไม่รู้จักทุกข์คือมันมากเท่านั้นมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เพราะมันทุกข์อย่างนั้นมันเห็นไม่เห็นทุกข์มันมืดอยู่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ไม่ถึงว่าไอ้การการพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงกว่าการมีทรัพมากการมีอะไรมากๆ การมีความรู้อะไรมากๆากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากๆเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากๆเยอะไปเห็นไม่พ้นทุกข์ไหมมีไห ม, มอย่างนี้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกเรื่องอย่างพ้นที่มันนี้มันแก้วอะไรเป็นแก้วหรือไม่นี้่มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเสียงกันจนไปจนอุตรดุลเลยวนี่ น, นนะนนม่จบอะไรมันเป็ น, นนั้นนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ํากับโรบเตอร์ มาจากกระดังดร์อืมไอ้คนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทําวัดสมุนอืมในการทำวัดส ม, มุนเกมเหมือนร้องเพลงเล่นตอนนะั้นว่าเถอร้องเพลงเด่นกับร้องไปเถอะก็เราชอบการฟังเพงเลงอยู่ก็ร้องเพลงเด่นเลยนนะเกมไม่รู้จกักแกมมาพู่นวายหลายนะแต่ได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันนะอืม มาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันเราก็ไม่ดูอย่างช้านนะมาพูดถึงน้ํากับไฟนี่แหละนั่งเรือไปอ่าถามเขาว่าอันนี้คืออะไรน้ําอะไรมันเป็นน้ําเ้าก็บอกว่าอันนั้นอันนั้นผสมไปนั่นอะไรมันเป็นนันนั้นนั่ น, น, นตีกลมกว่าสามไปเดือยเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไฟอะไรมันเป็นไฟพักว่าอันนั้นมันสมสําเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นต่อไปอีกผมถามไปได้ด้วยครัได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่ดีไม่จริงไม่จริงผมอ่ะไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟกับไฟสักกแล้วกันเ <laughs> ขาเรียกว่าน้ำเรากับว่าน้ํากันก็พอกันแล้ว